อาจจะไม่คยได้สนใจเรื่องจิตเท่าไหร่หรือเขาคิดว่าจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมองนะแต่ทางพุทธศาสนานี่มองว่ามันคนละส่วนกันและเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ที่เห็นว่าสมองกับจิตเนี่ยมันไม่ใช่อันเดียวกันนะที น, นี้เราลองมาทําความเข้าใจเรื่องความตายในพุทธศาสนาสักหน่อยนะเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์สําหรับ เวลาเราเกี่ยวข้งของกับคนใกล้ตายหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะตายเองนะในทางาพุทศาสนาอย่างที่บอกไปแล้วว่าความตายเนี่ยมันมีสองประเภทสองมิติทางเทรวาสก็บอกว่าคนเราตายเมื่อหนึ่งอายุสองไออุ่น3วิ ญ, ญญาณดับนะหรือว่าออกจากร่างอายุนี่มันก็หมายถึงพลังชีวิตนะไออุ่นก็ จ, จะหมายถึงอุณหภูม อันนี้ก็เป็นเรื่องกายส่วนวิญญาณนี่ก็เป็นเรื่องของจิตแต่ว่าทางพุทธศาสนาแบบทิเบตรหรือวัชรยานเนี่ยอธิบายได้เป็นระบบกว่านะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะตายนะมันเริ่มต้นด้วยการแตกดับทางกายก่อนกายนี่ก็ประกอบไ ป, ไปด้วยดินน้ำไฟลมแล้วคนที่ถ้าตายแบบตายแบบธรรมชาตินะคือไม่ได้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 หลายคนก็สงสัยว่าจะเห็นได้ยงไงในพราะกันเห็นหรือการได้ยินเนี่ยมันต้องอาศัยระบบประสาทอาศัยสมองแต่ตอนนี้มันก็มีปรากฏการณ์มากมายที่ชี้เห็นว่าการเห็นการได้ยินเนี่ยนะมันดา จ, จ่าเกิดขึ้นแม้กร ะ, ะทั่งในภาวะที่ถือว่าตายแล้วนะหมอวินิจฉัยว่าตายแล้วหัวใจหยุดเต้นแล้วนะแต่ยังสามารถได้ยินสามารถรับรู้ได้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 แล้วก็มาอีกทีก็ได้ยินได้ยินพยาบาลพูดว่าความดันเลือดเนี่ยไม่มีละชี่ประจอจับไม่ได้หยุดหายใจแล้วแล้วก็ได้ยินหมอปั๊มหัวใจไอ้แบบนี้แสดงว่าถ้าทางยวชาสตร์ก็ถือว่าตายแล้วแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยได้ยินพยาบาลได้ยินหมอทําอะไรกับร่างกายของเธอ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 ครั ท, ที่หัวใจหยุดเต้นแต่เห็นมีคนหนึ่งไปอันนี้ก็รายงานอยู่ในนิตยสาร national geographic นะคนไข้นี่ก็ผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจแล้วก็มีช่วงหนึ่งหัวใจหยุดเต้นนะบอกกัว่าในพ่อที่หัวใจหยุดเต้นเธอเห็นเธอเห็นจอมอนิเตอร์นะเห็นสัญญาณชีพของตัวเองแล้วก็เห็น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 ไอตอนนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นเตมันเป็นกลางดึกเนี่ยมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยไม่มีใครยตรงระเบียงเลยนอกจากตัวพ่อเองแล้วลูกสาวเห็นได้ยังไงนะเพราะตอนนั้นมันไม่มีใครเลยไอลูกสาวไอตอนนั้นเนี่ยก็ก็เรียกว่าในเพราะาทางการแพทย์ก็ถือว่าตายแล้วแต่เขาเห็นนะเห็นด้วยอะไรนะไอตัวเนี่ยอยู่ที่ห้องผ่าตัดนะแตไปเห็นข้างนอกห้องผ่าตัดได้ยังไง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 อีกหลายหนึ่งนะหัวใจหยุดเต้นก็ถูกปั๊มขึ้นมารอดตอนที่ถูกตอนที่หัวใจหยุดเต้นมาเป็นกลางดึกเขาวัุงตอนเช้าเนี่ยวัุ่งขึ้นเขาเขาเขารู้ตัวเนี่ยเขาก็เล่าให้ลูกหลานฟังนะที่จริงเขาว่าลูกหลานด้วซ้วาําว่าเนี่ยเขาพูดว่าเนี่ยข้าว่าจะไปสบายแล้วเชียรนะพวกแกไปพาเขากลับ ไปช่วยเขากลับมาทําไมแกเล่า ว, ว่าตอนที่หัวใจหยุดเต้ น, เ, นเห็นตัวเองเนี่ยจากมุมสูงเนะีเห็นเด็กเนี่ยที่จ้างมาเฝ้าเฝ้าไข่เนี่ยไปเรียกหมอพยาบาลมาแล้วก็เห็นตัวเองกำลังถูกปั๊มตอนนั้นแกว่าแกสบายมากรู้สึกสบายมากเลยนะีคิดว่าถ้าไปตอนนั้นก็ดีนะจะได้ไปสงบที่น่าสนใจคือว่าเห็นตัวเองได้อย่างไรตอนนั้นเนี่ยถือว่าสลบถือว่าโคม่าแล้ว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 นะก็เชื่อว่าเขาจะรับรู้ได้แล้วที่จริงก็มีตัวอย่างมากมายนะคนที่ฟื้นจากโคมมาเขาก็บอกว่าเขาได้ยินเวลาพยาบาลพูดกันเวลาพยาบาลหยอกล้อ ก, กับหมอเขาก็ได้ยินคนที่เป็นผักเนี่ยเขารับรู้ได้นะแต่ว่าเขาอาจจะไม่สื่อสารแต่บางกรณีก็อาจจะสื่อสารนะอาจารย์อัมโมโรเนี่ยซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดพระอัมรวดีที่ประเทศอังกฤษเวลานี้พรอัมรวดีนี่ก็ หลวงพ่อสุเมโทเเคยเป็นเจ้าวาดองค์แรกก็มีเมื่อสักองสปีที่แล้วเนี่ยคุณยายของอาจารย์มโรโเนี่ยซึ่งเป็นผักมาได้ 3-4 ปีเนี่ยเกิดมีปัญหาร่างกายเนี่ยนะมันมันมันป่วยหนักนะหมอวินิจฉัยแล้วต้องผ่าตัดใหญ่แต่ว่าลูกสาวนะ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 คุณยายเนี่ยซึ่งเป็นผักมาสี่ปีเนี่ยจูจ ก, ก็พูดขึ้นมาเลย thank you นะพูดคำเดียวนะ thank you สปีเนี่ยพูดคำเดียวแปลว่าอะไรแปลว่าได้ยินได้ยินลูกเนี่ยคุยกันแล้วก็ดีใจนะที่ลูกเนี่ยไม่ยื้อ้วยการให้หมอมาผ่าเพราะว่าหัจาดนั้นวันสองวันนะคุณยายก็ไป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 อันนี้มันก็จะเป็นการช่วยในทางจิตใจเขาได้ครานี้เนี่ยพูดถึงพอใกล้ตายเนี่ยนะมันยังมีปรากฏการทางจิตอยู่สองสาอย่างที่เราควรจะรู้อันแรกเราเรียกว่ากัมมาอารมณ์นะกัมมะอารมณ์ก็คือภาวะที่ปรากฏการที่จิตเนี่ยมันระลึกเนาะระลึกนกึลล ก, นกถึงเหตุการณ์ในอดีตอาจจะเกิดมันจะเห็นเป็นภาพอาจจะตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กเป็นทารกด้วยซ้ํา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 ว่ามีผู้ป่วยใกล้าตายจํำนวนมากเนี่ยสามารถที่จะเห็นเหตุการณ์นะที่ย้อนถอยหลังในอดีตได้ในอดีตนี่ไม่ใช่อดีตชาตินะหมายถึงอดีตสมัยยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวฝรั่งเรียกปรากฏการณ์นี่าไลฟ์รีวิวนะคือการย้อนทวนประสบการณ์ในอดีตคนที่พยายามฆ่าตัวตายแล้วไม่ตายเนี่ยตอนที่หน้าสื่อหน้าขา่าวเขาเขาก็เล่านะว่ามันมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกับเขา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 วังเขิงก็ร้องเป็กพ่อดยเป็กพ่อกระแทกจนมือนี่แตกเลยนะอันนี้ก็เป็นกรรมนิมิตแบบหนึ่งนะแต่ว่ากรรมนินิมิตอีกแบบนึงก็คือนะเป็นกุศลนะอย่างเช่นคนที่ใส่บาทภาพประจําก็อาจจะตอนใกล้ตายก็อาจจะเห็นขันใส่บาตรนะขันใส่ข้าวที่ที่ใช้เวลาบินทบบาตหรือใช้เวลาใส่บาตรเนะี่ย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 ท่านก็คงเป็นพระที่ก็เรียบร้อยนะเป็นพระที่ตั้งใจปฏิบัติแต่ตอนจะตายเนี่ยท่านเป็นนึกถึงจีวอนพิสษาให้จีวอนถวายจีวอนท่านสายพุทธการในจีวอนเป็นของหายากนะถือเป็นของมีค่าแถมเป็นจีวอนเนื้อดีด้วยท่านได้จีวอนมาแต่ไม่ทันได้ครองตอนจะตายเนี่ยจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นนึกถึงจีวอนผืนนั้นด้วยความหวงแหนด้วยความอาลัย เจะด้วยความเสียดายที่ไม่ได้สนองศรัทธาพี่สาวตายปุ๊บนี่ไปเป็นเลนในจีวรเลยนะจีวอกรณีหนึ่งนะนางนางมริกาเทวีเป็นเมฮีศีพระเจ้าประสิทธิโกศนก็เป็นคนที่ชวนใะห้พระเจ้าประสิทธิโกศนเนี่ยหันมาสนใจบุญกุศล น, นะเลิกบูชายันด้วยการฆ่าสัตว์เป็นคนมีธรรมะแต่ว่าอายุสั้นนะอายุประมาณสัก20ไปลายปลาต้นต้นก็ตาย ตอนที่ตายเนี่ยจิตเกิดเป็นนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ทําไม่ดีกับพระเจ้าประเสนิยโกศลคือไปหลอกตัวเองทำอะไรไม่ดีบางอย่างที่น่าอายแล้วก็พระเจ้าประเสนิยโกศลเห็นก็พูดหลอกนะว่าไม่ได้ทําพระเจ้าปเสรียโกศล น, นี่ก็เชื่อเช <c oughs> <c oughs> ื่อก็หลอกตัวไปแต่ปรากฏว่าตอนจะตายเนี่ยจิตใจเนี่ยเป็นนึกถึงเหตุการณ์นั้นว่าทํามุสาวาจิตก็รู้สึกรู้สึกหม่นมองนะ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 นั่นความดีที่ได้ทำเนี่ยมันไม่ช่วยหรยอทำดีทำไมไม่ได้ดีก็ต้องตอบว่าการกระทำทุกอย่างหรือกรรมเนี่ยนะมันส่งผลทั้งนั้นแหละแต่กรรมบางอย่างเนี่ยส่งผลเร็วกรรมบางอย่างส่งผลช้าอสังนกรรมที่ส่งผลเร็วแต่กรรมที่ทำก่อนนั้น น, นส่งผลช้าแต่ก็ส่งผลนะอย่างเช่นพระที่ท่านเป็นเลนในจีวรเนี่ยนะพอครบ7วันเนี่ย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 จึงให้ความสําคัญกับการนําทางคนใกล้าตายเนยีคนใกล้าตายเนี่ยก็จะพยายามนะต้องมีการนําเพื่อให้จิตเป็นกุศลจะได้ไปดีนะีการนําทางคนใกล้าตายก็จะมีการนิมนต์พระมาเรียบบอกอารหังนะบอกอารหังอรหังก็คืออรหังสามาสามุตโตเนี่ยนะแต่คนบางคนเนี่ยนะถ้าเกิดว่าจิตมันบาปมากนะ มีใครมานําทางเนี่ยแม่จะมาบอกอรหังเนี่ยมันก็ไม่ไปนะจิตก็ไม่ไปไม่น้อมไปในทางกุศลอย่างลุงปู่ดูเนี่ยพระมาปัญโยท่านเล่ามีคนนึงเนี่ยเขาชอบทอรมานปลามากนะน้องชายเนี่ยตอนตอนที่เขาจะตายเนี่ยน้องชายก็มาบอกนะมาบอกอรหังนะไอ้คนที่ใกล้ตายคนนั้นเนี่ยมันกลับนึกถึงปลาในกระชังเนี่ยมาบอกอรหังเนี่ยแต่นึกถึงปลาในกระชัง